พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้งมงายคำสอนของพระพุทธเจ้าเนะีเป็นเรื่องของเหตุกับผลทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเหตุฝ่ายชั่วคือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ฝ่ายที่ทำให้เดือดร้อน<ม>เหตุทางบวกคือมรรค มีผลเป็นนิโรธคือความพ้นทุกข์ความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นเรื่องเหตุผลทั้งฝ่ายวัตตะฝ่ายที่จะหมุนวนไปเวียนว่ายใตเกิดกับฝ่ายวิวัฏ ต, ตะฝ่ายที่จะพ้นจากโลกพ้นจากการเวียนว่ายไตเกิดอยู่ในกองทุกข์ในอริยสัจสี่นั่นก็เป็นเรื่องเหตุกับผลสองคู่ ฝ่ายวัตตะหมุนไปเรื่อยๆมีตัณหาเป็นเหตุมีความทุกข์เป็นผลายวิวัตตะจะออกจากโลกมีมรรคเป็นเหตุมีนิโรธอินิพานเป็นผล mm hmm. เงนชาพุทธไม่มีคำว่า ง, งมงายคำว่า ง, งมงายก็คือมันบังเอิญมันฟลุกโชคชะตากำหนด ดวงดีดวงอะไรต่ออะไรนี่ไม่ใช่ชาวพุทธมีคนเขาตั้งข้อสังเกตนะเขาฟังหลวงพ่อเทศมานานหลายปีเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยใครๆก็ชมว่าโชคดีอายุก็น้อยไปเรียนเป็นด็อกเตอร์อยู่อเมริกาใช้เวลาไม่กี่ปีนะหาเงินได้เป็นร้อยล้านเลย ใครๆก็บอกโชคดีโชคดีคดบอมีแต่หลวงพ่อนี่ไม่เคยพูดคําว่าเขาโชคดีเลยหลวงพ่อพูดน้อยกว่าที่คนคิดอีกบอกเป็นเรื่องกรรมไม่ได้บอกว่ากรรมดีนะคนรวยเนี่ไม่ใช่ผลผลของกรรมดีอย่างเดียวนะมันโกงเขาก็ได้นะเรื่องมันมีเหตุมีผลนะคําว่าโชคดีคําว่าดวง เอาไว้แก้กรรมอะไรอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ไม่มีในสาระบบคําสอนของพระพุทธเจ้ากรรมก็คือการกระทําของเราเองโดยเฉพาะการกระทําที่เราเจตนากระทําเมื่อเรากระทํากรรมแล้วยังไงก็ต้องมีผลของการกระทําไม่มีใครแก้ได้ผลของการกระทําดีเกิดขึ้นไม่ใช่โชคดีแต่เป็นผลของการทําความดี เวลาเจอสิ่งเลวร้ายในชีวิตเป็นผลของการทำไม่ดีไม่ใช่เคราะห์ร้ายคำว่าโชคคำว่าเคราะห์คำว่าดวงเป็นคำที่ไม่มีเหตุผลอยู่ๆก็ลอยๆมาทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วเนี่ยมันเป็นเรื่องเหตุผลบางคนก็ภาวนา ง, ง่าย มันก็มีเหตุผลที่เขาพาวนา ง, ง่ายบางคนก็ภาวนายากมันมีเหตุผลที่เขาภาวนายากตัวอย่างมีเหตุมีผลทั้งหมดเลยจิตออกนอกเ <c oughs> <c oughs> นี่ยทําไมเราหัวเราะมีเหตุไหม เรากระทบอารมณ์ใช่ไหมเราได้ยินเราได้ฟังอะไรที่ชอบใจก็ถั่วราะขึ้นมา้าไมเราร้องไห้มีเหตุไหมที่ร้องไห้มีเหตุตัวอย่างมีเหตุกับผลนะอย่าเชื่ออะไรงมงายอย่างอยู่ๆเราจะไปไหว้พระขอให้เจ้าแม่กวนอิมหรือเจ้าพ่ออะไรเ่งเกียอะไรช่วยเรานะีเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ช่วยไม่ได้ อยู่ที่กรรมของเราเองอย่างเจ้าแม่กวนอิมเห็นพระโพธิสัตว์อาวาโลกิเตส่วนความเมตตานั้นมหาศาลแต่ท่านทำอะไรบ้างท่านเงี่ยบหูฟังเสียงสพัพะสัตว์มันร้องไห้บอกไหมว่าท่านซับน้ำตาให้สัตว์ให้พ้นทุกข์ได้ทุกตัวทาไม่ได้ทำไม่ได้ สัตว์ที่ทำกรรมชั่วเวลากมชั่วให้ผลมาก็ได้รับความทุกข์ท่านก็เห็นใจเห็นใจอยากช่วยช่วยยังไงก็ต้องแนะนำให้มันทำดีก็อยากเป็นเรื่องเหตุกับผลทั้งหมดเลยนะหลวงพ่อเคยอ่านเรื่องของเจ้าแม่กวดอิมบอกว่าก่อนที่ท่านจะบรรลุบรรลุของมหายานกับของเราไม่เหมือนกันนะ เขาบรรลุเป็นพระโพธิสัตว์ได้นั่นสร้างความดีมากมายจงพระพุทธเจ้าเห็นใจประทานแจกการโยกให้อ่านหนึ่งแล้วก็บอกว่าเอาแจกการนี้ไปตั้งบูชาไว้นะแล้วดูวันไหนมีน้ำเต็มแจกกันขึ้นมาวันนั้นจะบรรลุแล้วจะเข้าถึงธรรมะ เจ้าแม่กวนอิมก็ไปช่วยคนเยอะไลยนะพยายามช่วยช่วยเท่กลับมาที่ตำหนักจากการก็เหมือนเดิมต้องคอยเช็ดฝุ่นเนื้อซ้าไปไม่มีน้าเนี่ยทำความดีอยู่นานเลยนะใจเมื่อไหร่จะมีน้าเมื่อไหร่จะมีน้ํามันไม่มีเจอทั้งลูกศิษย์ของท่านลูกศิษย์ของเจ้าแม่กวนอิมเองสงสารโถเจ้าแม่อยากให้มันมีน้า จะแม่ไม่อยู่มัเอาน้ําเติมแจกันเต็มเลยมันใส่เข้าไปเต็มเลยแล้จแม่กลับมานะโอ้ยน้ําเต็มแล้ววันเนี้จะบรรลุและดีใจใหญ่เจ้แม่จะบรรลุแล้วตัวท่านนะ่ะดีใจลูกศิษย์เนี่ยรู้สึกสํานึกผิดเลยเอ็นี่หลอกอาจารย์เนี่ยถึงจะหวังดีนะแต่ทําให้อาจารย์เข้าใจผิดไปแล้วล่ะทีแรกคิดแต่ว่าท่านอยากให้น้ํามันเต็มแล้วก็เติมไม่เต็ม ที่แท้ท่านอยากให้เต็มเพราะว่าท่านจะได้บรรลุธรรมลูกิก็เลยเข้าไปกราบขอขามาท่านสารภาพว่าได้เติมน้ำมาเองจำไม่ได้ผู้หญิงผู้ชายนะได้น้ำไปเติมเองพนอะท่านได้ยินนะท่านก็บรรลุแล้วน้ำมันก็ต้องมีเหตุสิมันถึงจะเกิดเติมไว้มันก็มีเหตุน้ำมันถึงจะเต็มไม่มีเหตุมันไม่เต็มหรอกแล้วเหตุกับผลต้องตรงกัน อยากให้มีน้ําก็ต้องเติมน้ําไม่ใช่อยากมีน้ําไปช่วยคนเหตุกับผลไม่ตรงกันงั้นสร้างเหตุกับผลต้องตรงกันอยากได้อยากจะกินมะม่วงก็ต้องไปปลูกมะม่วงอยากเคกินข้าวก็ไปปลูกข้าวอะไรอย่างนี้มีเรื่องของเหตุกับผลทั้งสิ้นเลยงั้นชาวพูทเราต้องดํารงชีวิตด้วยความมีเหตุผลอย่างงมงาย ความงมงายนะั้นมีทุกระดับกรทั้งในการปฏิบัติอย่างเราคิดว่าปฏิบัติอย่างเนี้ยจะพ้นทุกใครๆก็คิดศนาะ ส, สนาอื่นก็คิดเขาก็อยากจะมีความสุขอมตะอยากมีความสุขที่อมตะเช่นนั่งสมาธิเข้าฌานจงจิตเป็นพรหมขึ้นมาจิตเป็นพรหม่าจิตกายเป็นพรหมแล้วจิตรวมข้ขอกับพลหมแล้ว จุดสูงสุดไม่รู้เหตุว่าการที่ไปฝึกสมาธิจนเป็นพลมนะยังเป็นเหตุเป็นผลในฝ่ายวัตตะอยู่ทำความดีไปเกิดในที่ดีเมื่อเกิดได้ก็ยังดับได้อีกมันไม่ได้พ้นจากการเกิดจริงเมื่อผลนผิพพานจริงๆแล้ว ตัวนิพพานไม่มีเหตุให้เกิดมรรคผลในอาศัยศีลสมาธิปัญญาแก่รอบนะแล้วเกิดเองในนิพพานนั้นไม่มีเหตุให้เกิดเพราะนิพพานนั้นพ้นจากภาวะแห่งความเกิดและความดับเราอยากได้นิพพานเราก็ไปทําเหตุทําอะไรก็ทําความดีทางความดีเรียกว่ามีความปรุงแต่งฝ่ายดีเรียกว่าปุญญาพิสังขาร ปัญญาพีสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีหรือความปรุงแต่งฝ่ายชั่วเรียกปุญญาพีสังขารอีกพวกหนึ่งพยายามจะไม่ปรุงแต่งปรุงแต่งความไม่ปรุงแต่งปรุงแต่งความว่างเรียกอานเนญชาพี่สังขารทั้งหมดมีรากเง่าร่วมกันหมดทั้งความปรุงแต่งฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายว่างๆคืออวิชชาพพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าให้ปรุงแต่งไปเถอะแล้ววันหนึ่ง เสพ้นจากความปรุงแต่งท่านสอนให้มารู้มาทำความเข้าใจจนจิตในฉลาดเข้าใจแจ่มแจ้งในกองขันทำลายอาวิชชาลงไปท่านสอนให้ดับเหตุเมื่อดับเหตุได้ความปรุงแต่งก็ไม่มีไม่ว่าจะปรุงดีหรือปรุงชั่วหรือปรุงว่างเมื่อดับเหตุได้ความปรุงแต่งหมดสิ้นไป ก็เข้าถึงสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งก็คือพระนิพพานนะนิพพานเป็นอสังฆตะธรรมเรีย อ, อาสังฆตะธรรมธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งอย่างพวกเราภาวนานะเราคิดเนี่ยวันนี้จะเดินจงกรมเงี้ยเดี๋ยวจะได้บรรลนะุจะนั่งสมาธิจะได้บรรลุเราพยายามทําดีใหญ่มาทําบุญใส่บาตรมาอย่างโ น, น้นมาอย่างนี้ทําโดยหวังว่าจะบรรลุความหลุดพ้นบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพาน เราลาเลยที่จะมารู้รูปนำ้ำเพราะ้เราทํลายเอาวิชาไม่ลงทาลายวิชาไม่ได้ความปรุงแต่งก็ยังเกิดอยู่อีกแม้คำสอนของพระพุทธเจ้านะจะสอนถ้าละาก็ลาที่เหตุถ้าทำก็ทําที่เหตุไม่ไปล้าที่ผลไม่ไปทาที่ผลอย่างคนภาวนาไม่รู้หลักนะเวลาความทุกข์เกิดขึ้นในใจก็หาทางภาวนาเพื่อละทุกข์ ทำยังไงใจจะหายทุกข์ทำยงไงใจจะมีความสุขมุ่งไปตัวนี้ไม่ได้รู้หรอกว่าความทุกข์ก็มีเหตุให้เกิดถ้าเหตุของมันยังอยู่ตัวมันก็ยังอยู่เหตุของทุกข์ก็คือตัวสมุทรไทยตัวความอยากใจยังอยากอยู่ใจยังทุกข์อยู่ถึงจะอยากดีก็ทุกข์ทุกข์แบบคนดีอยากชั่วก็ทุกข์แบบคนชั่วแต่คาสอนอันนี้เป็นคาสอนชั้นสูงนะ เป็คำสอนในขั้นเจริญตัญญาไม่ใช่คำสอนในขั้นจริยธรรมนะถ้าคำสอนในขั้นจริยธรรมเนี่ยพวกเราต้องทำดีพวกเราต้องละชั่วพวกเราต้องมาฝึก จ, จิตใจให้ผ่องแผ้วอย่างี้ต้องทำแต่คำสอนในขั้นที่จะพ้นจากโลกเข้าไปสู่ขั้นโลกุตละธรรมสอนให้รู้ทุก ไม่ได้ให้ทำอย่างอื่นเลยให้รู้ความจริงของทุกข์เท่านั้นคนทั่วๆไปไม่อยอมรู้ทุกข์แต่อยากละทุกข์ท่านให้รู้ทุกข์ท่านไม่ได้หาความสุขคนทั่วๆไปอยากหาความสุขเมื่อเราตั้ห่างไกลจากความพ้นจากความปลุกแต่งยี่ห่างไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเราปลุงแต่งไม่เลิกหน้าที่เราไม่ต้องปลุงแต่งอะไร หาที่เรามารู้ทุกคือมารู้กายอย่างที่กายเป็นมารู้ใจอย่างที่ใจเป็นคําว่าทุก์ในความหมายของพระพุทธเจ้าหมายถึงรูปนามขันห้ากายใจของเรานี้คือตัวทุกขถ้าเรายังไม่เข้าใจว่ารูปนามขันห้ากายใจนี้คือตัวทุกเราคิดว่าอย่างอื่นเป็นตัวทุก อย่างเราคิดว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นตัวทุกข์อันนั้นเป็นอาการปรากฏของทุกข์ทางกายเราคิดว่าความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการเจอสิ่งที่ไม่รักความไม่สมหวังความขับแค้นใจความเหี่ยวแห้งใจเป็นตัวทุกข์ความจริงมันเป็นแค่อาการปรากฏของทุกข์ทางใจสิ่งที่เป็นตัวทุกข์อันแท้จริงคือกายนี้คือใจนี้แหละ คือรูปคือ น, นามนี้แล้รูปก็แสดงความทุกข์ให้ดูด้วยความแก่ด้วยความเจ็บด้วยความตายนามก็แสดงความทุกข์ให้ดูด้วยการทลัดพรากจากสิ่งที่รักด้วยการประสบกับสิ่งที่ไม่รักด้วยความไม่สมปรารถนาด้วยความคับแค้นใจเหี่ยวแห้งใจนันเป็นอาการที่มันแสดงทุกข์ให้ดูเท่านั้นเองตัวมันแท้ๆเนื้อมันแท้ๆของรูปธรรมคือกายนี้ของนามธรรมคือใจนี้คือตัวทุกข์ ถ้าเมื่อไหร่วันใดเราเห็นความจริงว่ากายนี้คือทุกข์เราจะหมดความยึดถือในกายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะมันรู้ความจริงแล้วว่าไม่ใช่ของดีมันจะปล่อยทุกวันนี้เราหมดความยึดถือในกายไม่ได้เพราะเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างพวกเรารู้สึกไหมร่างกายเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็จะดิ้นรนหาความสุข ดิ้นรนหนีความทุกข์มีความทุกข์ในร่างกายก็ดิ้นรนหนีแล้วก็ดิ้นรนจะหาความสุขมาให้ร่างกายคนโง่ที่สุดก็ดิ้นรนด้วยการหารูปหาเสียงหากลิน่นหารสหาสัมผัสทางกายมาปลนเปลือมันคนฉลาดขึ้นมาหน่อยก็มาฝึกจิตฝึกใจให้สงบนะแลคนฉลาดสองแท้ในคําสอนของพระพุทธเจ้า มารู้กายอย่างที่กายเป็นมารู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่ได้ปฏิเสธความทุกข์มาดูความจริงของกายไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่ากายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างเรานั่งอยู่ก็มีความทุกข์ยืนอยู่ก็มีความทุกข์เดินอยู่ก็มีความทุกข์นอนอยู่ก็มีความทุกข์เวลานั่งอยู่ก็ต้องเมื่อยนั่งขยับไปขยับมา เมื่อสุดขีดแล้วก็ลงไปนอนบ้างลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินบ้างเปลี่ยนอิริยาบถนี้ทุกไปนอนนานๆก็ทุกนะเมื่อยต้องนอนพลิกซ้ายพลิกขวาทำไมต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเพราะมันทุกก็ต้องขยับตัวหนีความทุกไปอิริยาบถต่างๆนั่นแหละเป็นตัวปิดบังความทุกในร่างกายนี้ไปนี่พวกเรามันก็มีความทุกอยู่ในร่างกายตลอดเวลายอยู่แล้ว แต่เราไม่ยอมดูอย่างเรานั่งหรือเราขันเนี่ยเราเกาทันทีเราไม่เห็นเลยว่าโอ้ร่างกายนี้มันทุกข์นะมันขันนะหรือนั่งอยู่มันเมื่อยเราก็ขยับตัวทันทีเราไม่ทันเห็นเลยว่าโอ้ร่างกายนี้มันทุกข์นะเนี่ยคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆนะก่อนที่จะขยับหนีความทุกข์ไปให้รู้ทันสันหน่อยหนึ่งว่าทุกข์แล้วก็ขยับไปได้เปลี่ยนไปแล้วจะเดี๋ยวจะเห็นว่า ทั้งที่วิ่งหนีความทุกข์ไปนะแฟ๊บเดียวความทุกข์ก็ตามมาไล่กัดเราอีกแล้วความทุกข์เหมือนหมาล่าเนื้อวิ่งไล่ตามเราตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนพอเราหมดแรงวิ่งมไม่ได่มันกัดเมื่อนั้นเลยเราก็ต้องหนีสมสารหนีมันต่อไปในร่างกายนี้เหมือนกันนะเราก็จะขยับหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆต้องทําอย่างโน้นต้องทําอย่างนี้เพื่อหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวหิวก็ต้องไปกินกินเสร็จจะต้องไปขับถ่าย ต้องเปลี่ยนแปลงต้องเคลื่อนไหวต้องอย่างน้นต้องอย่างนี้นะเพื่อหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งหมดกําลังที่จะหนีไม่สามารถจะหนีต่อไปได้นะความทุกข์จะขยี้เราจนตายเลยสุดท้ายทุกคนจะเจอภาวะอั น, นี้หมดทุกคนต้องเจอจถูกความทุกข์นี้ขยี้จนร่างกายนี้แตกสลายเนื่ยคนที่เรามีสติปัญญานะมารู้อยู่ในร่างกายเห็นโอ้ร่างกายมีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์ รู้แล้วใจเศร้าหมองไหมแรกๆอาจจะวันไหวถ้าวันไหวให้รู้ทันว่าวันไหวความวันไหวความเศร้าหมองในใจก็จะหายไปหายไปแล้วเราก็มาดูร่างกายต่ออันนี้สำหรับคนที่เริ่มด้วยการดูกายนะก็จะดูกายไปเห็นว่ากายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าดูมากเข้ามากเข้านั่นมันจะหมดความยึดถือในกายไม่ใช่ของดี อย่างถ้ามันมีเมืองจีนเนี่ยมีเวลาหุงข้าวยังใช้ไฟัหมใช้ถ่านใช้ฟืนใช้อยู่ไหมมีไหมยังมีอยู่ใช่ไหมหรือใช้แก๊สหมดแล้วอย่างถ่านถ่านไฟแดงๆเคยเห็นไหมถ่านติดไฟแดงๆสวยนะสีสวยสวยถ้ามีเด็กเล็กๆคนหนึ่งเห็นถ่านไฟแดงๆรู้สึกสวยอยากจับ ผู้ใหญ่ก็าบอกอย่าไปจับนะ้ํามันไม่ดีอันตรายเด็กไม่เชื่อนะเพราะเด็กไม่รู้ว่าอันตรายยังไง ร, รู้แต่ว่ามันสวยดีพอผู้ใหญ่เผลอมันก็จับพอมันจับแล้วต่อไปมันจะไม่จับอีกละเพราะอะไรเพราะรู้ว่ามันทุกข์จิตนี้ก็เหมือนกันจิตของเรามันเด็กโง่เราเห็นว่าร่างกายเราซึ่งเป็นฐานไฟแดงๆเนี่ยนะกลายเป็นของสวยงามเป็นของดี มันก็เข้ามายึดถืออยู่วันใดสติปัญญามันแก่กล้ามเห็นว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์จิตมันจะไม่เข้าไปหยิบอีกจิตมันจะวางร่างกายลงเมื่อจิตวางร่างกายลงแล้วนะีร่างกายคือตัวทุกข์เพาจิตวางตัวทุกข์ลงจิตก็พ้นจากตัวทุกข์จิตพ้นจากทุกข์ก็ไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกต่อไปแล้วต่อไปแก่เวลาแก่ใครแก่ร่างกายแก่ ไม่ใช่เราแก่นะมันจะไม่รู้สึกว่าเราแก่ไม่รู้สึกว่าเราเจ็บไม่รู้สึกว่าเราตายร่างกายต่างหากแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายร่างกายไม่ใช่ของดีร่างกายไม่ใช่ตัวเราใจมันไม่ไม่ยึดถือสิ่างมันจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกเวลาที่เรามาหัดเรียนรู้ความจริงของจิตใจก็เหมือนกันจิตใจเรานี่เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดนึกก็จะเกิดความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจเกิดกุศลเกิดลบกรดหลงขึ้นในจิตใจหมุนเวียนกันขึ้นมาเลือกไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรนะเลือกไม่ได้ตามองเห็นมีความสุขตามองเห็นเกิดราคะอันนี้ ตามองเห็นมีความทุกข์ตามองเห็นมีโทสะอะไรอย่างเงี้ยมันจะหมุนขึ้นมาในใจอย่างนี้นถ้าเราค่อยรู้ค่อยดูเรื่อยๆเราจะเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความสุขในจิตใจเรานะที่เราอุตส่าห์ดิ้นรนเที่ยวแสวงหาอย่าบางคนไปเมืองนอกไปดูโน้นดูนี่หวังว่ามีความสุขนะมีความสุขประเดี๋ยวเดียวเองความสุขก็หายไปละใครเคยไปต่างประเทศมั้ง เราลืมไปยังไอ้ที่ไปไปแล้วนะมาถึงวันนี้มือนเหมือนฝันแลรู้สึกไหมตอนนั้นจริงจังใช่ไหมคนจีนมาเมืองไทยตอนเนี้ยเมืองไทยดูจริงจังนะเดี๋ยวกลับไปเมืองจีนนะผ่านไปไม่กี่วันเหมือนก็ฝันว่ามาเมืองไทยแลมันว่างเปล่าไปหมดแล้วยันทุกอย่างในจิตใจเรานะมันว่างเปล่านะจริงๆในร่างกายนี้ก็ว่างเปล่าชีวิตเรานี่ว่างเปล่าเหมือนฝันเท่านั้นเอง ความสุขเกิดขึ้นก็เหมือนฝันว่ามีความ no elim no elim no elim no elim สุขความทุกข์เกิดขึ้นก็เหมือนฝันว่ามีความทุกข์กุศลเกิดขึ้นก็เหมือนฝันว่ามีกุศลโลภกรธหลงเกิดขึ้นก็เหมือนฝันว่าลบกรธหลงเพราะอะไรเพราะว่ามันผ่านไปมันไม่อยู่ตลอดหรอกเนี่ยพอเราเห็นอย่างนี้มักเข้านะความสุขกับความทุกข์เนี่ยเท่าเทียมกันขึ้นมาแล้วเราฝันว่ามีความสุขกับฝันว่ามีความทุกข์ก็ฝันนั่นแหละฝันว่าดีหรือฝันว่าชั่วมันก็ฝันนั่นแหละ ใจมีจะเข้าสู่ความเป็นกลางนะต่อไปเวลาความสุขเกิดขึ้นเราไม่หลงยินดีเราล้วาแค่ฝันถึงความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่หลงยินร้ายไม่เศร้าโศกเพราะเราก็รู้ว่านี่มันแค่ฝันประเดี๋ยวก็ตื่นจากความทุกข์นี้ละนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะมันเห็นในชีวิตที่เหมือนความฝันเหมือนภาพลวงตานะไม่มีอะไรที่จับต้องได้อย่างแท้จริงถาวร งั้นต่อไปไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจนะจิตใจจะไม่ทุกข์หรอกจิตใจที่ฝึกดีแล้วอบรมดีแล้วพาได้เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจดีแล้วนะีมันจะรู้เลยว่ารูปนามกายใจนี่เหมือนความฝันเท่านั้นเองมีอยู่ก็มีอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็สลายไปเพราะนัใจมันจะไม่ผูกพันเมื่อใจไม่ผูกพันมันก็ไม่ทุกข์กกอีกต่อไปเพราะความทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจนี่เอง ความทุกข์อยู่ที่โตไหมหรือความทุกข์อยู่ที่หลังคาบ้านความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยความทุกข์อยู่ที่กายที่ใจนเองแต่ถ้าจิตมันพลากออกไปมันแยกออกไปนะมันไม่เกี่ยวข้องกับกายกับใจอีกแล้วนะมันไม่ทุกข์อีกต่อไปมันจะพ้นจากตัวรูปนามนะตัวความปรุงแต่งตัวกิเลส ต, ตัณหาทั้งหลายความปรุงแต่งก็ดับสนิทนะ ความคิดนึกทั้งหลายมีอยู่พระอราหันต์ก็คิดอยู่ไม่ใช่ไม่คิดพระอราหันต์ไม่ใช่ต้นไม้และก้อนหินพระอราหันต์คิดได้แต่ความคิดนั้นนะ่ะไม่เข้ามาย้อมจิตเลยเข้ามาไม่ถึงจิตนะความคิดนะั้นเหมือ น, นผ่านไปในอากาศไม่มากระทบกระทั่งถึงจิตเลยจิตนั้นกว้างใหญ่ไพศาลไรขอบไรเขตไรจุดไรดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมา ไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งได้กิเลสตัณหาทั้งหลายนะอย่าว่าแต่กิเลสกุศลคุณงามความดีเท่าไหร่ยังเข้ามาปรุงแต่งจิตไม่ได้เลยเข้าถึงสภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เมื่อมันพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิงนะกิเลสตัณหาอะไรไม่มีเพราะกิเลสตัณหาอะไรก็คือความปรุงแต่งเอาวิชาก็เป็นของปรุงแต่งเนี่ยค่อยฝึก ค่อยๆเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆะพวันหนึ่งก็จะเข้าถึงภาวะที่สิ้นทุกข์สิ้นทุกข์ได้พอ ว, วางรูปนามไปพอวางรูปนามไปนะกิเลสตัณหาอะ้รจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปละความอยากทั้งหลายมันเกิดจากอะไรถ้าดูให้ดีนะมันมีอะไรบ้างความอยากมันก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เท่านั้นเองเพอมันเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้คือทุกข์แล้วนะ ความอยากทั้งหลายคือความไร้เดียงสาของเด็กที่ไม่รู้เรื่องอยากให้กายให้ใจเป็นสุขมันอยากได้ยังไงเพราะกายกับใจเป็นทุก์ยังไงก็เป็นสุขไปไม่ได้ความอยากนี้ไร้เดียงสาอยากให้กายให้ใจพ้นทุกจะพ้นได้ยังไงกายนี้ใจนี้คือตัวทุกจะให้มันพ้นจากตัวทุกได้ไงความอยากนี้คือความไร้เดียงสางั้นที่ใจของเราเกิดความอยากมาเนี่ยเพราะใจเราไร้เดียงสาละใจเราไม่รู้เรื่องใจเราเด็กๆเกินไป งั้นเรามาเรียนรู้ความจริงนะของกายหองใจไปวันหนึ่งใจฉลาดใจเข้าถึงความจริงแนละเข้าถึงสัจจะก็คือขันห้ารูปนามกายใจนี้คือตัวทุกข์นี่คือสัจจะอันสําคัญยิ่งเลยเรียกว่าทุกขสัจทุกขสัจจนะเข้าถึงทุกขสัจจะเนี่ยสมูทัยก็จะขาดอัตโนมัติเลยความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วความอยากไม่เกิดนะ นิโรธคือนิพพานที่ปรากฏขึ้นต่อหน้านิพพานนี่เราไม่ใช่คำว่าเกิดนะอย่างความสุขเกิดความทุกข์เกิดกิเลสเกิดกุศลเกิดร่างกายเกิดแต่นิพพานไม่มีเกิดนิพพานเป็นภาวะที่พ้นจากความเกิดเพราะนิพพานเป็นของที่ไม่มีเหตุนะไม่มีเหตุของอื่นมันมีเหตุนะเหตุมีทั้งหมดหอย่างนะคาว่าเหตุพวกเราได้ยินคำว่าเหตุมาตลอดเวลาใช่ แท้จริงควาว่าเหตุมีหอันอะไรเป็นเหตุราคาโทสะโมหะอโลภะคือความไม่มีไม่ไม่มีราคาอะโทสะความไม่โกรธนะอโมหะความไม่หลงความรอบกรดหลงเป็นเหตุความไม่รอบความไม่โกรธความไม่หลงเป็นเหตุคนละาฟังกันคู่นี้พาเดินอยู่ในวัตตะแต่ว่าอาศัยการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะ วันหนึ่งหมดความยึดถือในกายใจก็หมดความอยากไม่มีความอยากอีกต่อไปแล้วในรูปนามกายใจนี้เมื่อไม่มีความอยากก็ไม่มีความปรุงแต่งอะไรมันพ้นดับสนิทกิเลสก็ไม่มีขันก็ไม่มีความปรุงแต่งก็ไม่มีความทุกข์จะมีไม่ได้ธรรมะอย่างนี้ไม่มีใครสอนกันหรอกนะค่อยๆเรียนค่อยๆพอนา วันหนึ่งเนะเข้าถึงธรรมะไปลำดับลำดับไปตั้งใจไว้อย่างเดียวว่าปีนี้ต้องดีกว่าปีไกลต้องก้าวหน้าขึ้นในทางคุณธรรมปีหน้าต้องดีกว่าปีนี้ในทางคุณธรรมถือศีลให้ดีขึ้นฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวได้มากขึ้นเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้บ่อยขึ้นต้องฝึกอย่างนี้ ทำไมเขาจะใกล้นิพพานเข้าไปทุกวันทุกวันพอไปเจอนิพพานแล้วแทบเกลีหัวตัวเองเลยหาแทบตายที่แท้เดินชนนิพพานอยู่ทั้งวันเลยอยู่ต่อหน้านี้เองนะไม่ได้หนีไปไหนเลยไม่เคยหนีไปไหนเลยอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองแต่ไม่รู้ไม่เห็นนะก็ความไร้เดียงสามันบังอยู่เอาไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับนิมนต์